วันนี้เป็นวันจันทร์ที่14เมษายนพุทธศักราช2568เป็นวันหยุดช่วงเทศกาลสงการขึ้นปีใหม่ของไทยสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมจึงมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ จึงได้ใช้เวลาว่างนี้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ด้วยการมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมมาเรียนรู้สิ่งต่างๆที่ควรที่จะรู้สิ่งที่พวกเราควรจะรู้กันอย่างยิ่งคืออะไรก็คือเรื่องชีวิตของพวกเรา ว่าชีวิตของพวกเรานี้ประกอบด้วยอะไรทํามาจากอะไร<ม>ตามหลักธรรมคําสอนชีวิตของพวกเรานี้ก็เกิดมาจากการรวมตัวของธาตุทั้งห้าด้วยกันคือธาตุดินธาตุน้ําธาตุดมธาตุไฟและธาตุรู้<ม>นี่คือส่วนประกอบของชีวิตของพวกเรา ที่มารวมตัวกันทำให้เกิดมีร่างกายขึ้นมาและทำให้มีความรู้สึกนึกคิดคือจิตใจขึ้นมาร่างกายนี้ก็ทำมาจากธาตุสีคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟส่วนใจนี้ก็คือธาตุรู้ที่มาครอบครองร่างกาย ผู้มาสั่งการให้ร่างกายทำอะไรต่างๆตามความต้องการของธาตุรู้การรวมตัวของธาตุทั้งห้านี้ก็จะเป็นการรวมตัวแบบเฉพาะกิจคือจะไม่เป็นการรวมตัวแบบยั่งยืนถาวรเพราะโดยกฎของธรรมชาตินั้นไม่มีอะไรที่จะสามารถรวมตัวกันและตั้งอยู่ได้อย่างถาวร ของธรรมชาตินี้ให้ทุกสิ่งยุกอย่างที่มีการรวมตัวกันนั้นรวมตัวได้ชั่วคราวรวมตัวกันแล้วในที่สุดเมื่อถึงเวลาก็ต้องแยกแยกทางกันไปเช่นร่างกายของพวกเรานี้ก็ทามาจากธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟน้ำก็จะอยู่ เป็นร่างกายคืออาการสามสิบสองนี้ไปได้ประมาณสักแปดสิบปีหรือร้อยปีเป็นส่วนใหญ่ก็จะต้องสิ้นสุดชีวิตไปคือการสิ้นสุดของการรวมตัวของาธาตุทั้งสี่าธาตุทั้งสี่ที่เคยมารวมตัวในทำให้มีร่างกายก็แยกทางกันไปเช่นเวลา คนตายธาตุที่จะออกจากร่างกายไปก่อนก็คือธาตุลมคือจะไม่มีธาตุลมเข้ามาก็มีแต่การไหลออกของธาตุลมที่ยังมีเหลืออยู่ในร่างกายแล้วก็ตามด้วยธาตุไฟคือความร้อนในร่างกายก็จะหายไปร่างกายของคนตายนี้ก็จะ เย็นกว่าร่างกายของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ตามด้วยท่าน้ำถ้าปล่อยทิ้งถ้าปล่อยศพให้เน่าเปือ่อยน้ำอะไรต่างๆที่มีในร่างกายก็จะค่อยๆไหลออกไปหรือระเหยออกไ ป, อออกไปจนในที่สุดร่างกายที่ส่วนที่เหลืออยู่ก็จะแห้งกรอบและในที่สุดก็จะผุพัง กายเป็นดินไปนี่คือ <c oughs> ส่วนของร่างกายที่ทำมาจากธาตุสี่ดินน้ําลมไฟเป็นเรื่องของการรวมตัวของธาตุและเป็นการแยกตัวของธาตุไปตามมาระของกฎของธรรมชาติกฎธรรมชาตินี้ไม่ว่าจะอะไรจะรวมตัวกันไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการแยกตัวกันออกไป ร่างกายของมนุษย์หรือร่างกายของสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกันหรือแม้แต่ต้นไม้ต่างๆผักพืชอะไรต่างๆก็เป็นการรวมตัวของธาตุสีแล้วรวมตัวได้ระยะหนึ่งแล้วก็จะแยกตัวกันออกไปกลับคืนสู่ธาตุเดิม <S 2> <S 2> <S 2> นี่คือส่วนของร่างกายที่เป็นธาตุสีดินน้ำลมไฟ ไม่มีตัวตนธาตุดินไม่มีตัวตนในในตัวตนของมันธาตุน้ำไม่มีตัวตนธาตุดมไม่มีตัวตนธาตุไฟไม่มีตัวตนเมื่อมารวมตัวกันเป็นร่างกายร่างกายก็ไม่มีตัวตนเหมือนกันร่นางกายก็เป็นเหมือนต้นไม้ดีๆนี่ <c oughs> ต้นไม้ก็เป็นการรวมตัวของธาตุสีเช่นเดียวกันต้นไม้ก็ต้องมีธาตุดินมีธาตุน้า มีธาตุดมมีธาตุไฟมาผสมกันจึงเกิดเป็นต้นไม้ขึ้นมาต้นไม้ก็ไม่มีตัวตนชันใดร่างกายของมนุษย์หรือร่างกายของสัตว์เดรละชานก็ไม่มีตัวตนแล้วตัวตนมาจากไหนตัวตนมาจากความหลงของธาตุรู้คือใจที่มาครอบครองร่างกายธาตุรู้นี้ก็ไม่มีตัวตนธาตุรู้นี้เป็น เป็นธาตุที่มีความสามารถที่จะรู้อะไรต่างๆได้แล้วก็มีความสามารถที่จะมีความรู้สึกมีความคิดมีความจำได้หมายรู้และมีความสามารถที่จะไปรับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะจากร่างกายผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายของร่างกายมาเสดมาสัมผัส ในธาตุรู้นี่แหละมีปัญหาคือมีความหลงธาตุรู้ไปหลงคิดว่าธาตุรู้เป็นตัวเป็นตนแต่ธาตุรู้นี้ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับร่างกายร่างกายนี้ทําจากธาตุสี่มีรูปร่างหน้าตามีแขนมีขามีมีอะไรต่างๆมีอวัยวะต่างๆพอธาตุรู้มาครอบครองร่างกายก็เลยไป เหมาเอาว่าร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเป็นธาตุรู้ธาตุรู้คิดว่าตนเองเป็นตัวตนพอได้ร่างกายมาก็เลยไปเหมาเอาว่าร่างกายนี้เป็นตัวตนเป็นตัวของธาตุรู้ธาตุรู้ก็เลยไปยึดไปติดไปรักไปชอบไปหวงไปอยากให้อะไรที่เป็นของตนนี้ อยู่กับตนไปนานๆเพราะว่าจะให้ความสุขร่างกายนี้เป็นเครื่องมือในการหาความสุขให้กับธาตุรู้คือใจให้ใจได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัชชนิดต่างๆเวลาที่ได้เสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ถูกใจก็เกิดสุ ข, ขเวทนาหรือเกิดความสุขใจขึ้นมา แต่ปัญหาก็คือว่าสิ่งต่างๆที่ถ้ารู้ใช้ร่างกายเสพคือรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพะนี้ก็เป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงได้สิ่งที่ให้ความสุขนั้นก็สามารถเปลี่ยนเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่ให้ความทุกข์ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้าก็จึงมีการเปลี่ยนแปลง จากรูปเสียงกลิก่นรสที่ให้ความสุขกลายเป็นรูปเสียงกลิก่นรสที่ให้ความทุกข์ได้พอใจไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ให้ความทุกข์ใจก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะหารูปเสียงกลิ่นรสแบบใหม่รูปเสียงกลิ่นรสที่ให้ความทุกข์ก็พยายามที่จะกําจัดมัน บางทีก็กาจัดได้บางทีก็กาจัดไม่ได้เวลากาจัดไม่ได้ก็เกิดความเครียดขึ้นมาในใจอีกชั้นหนึ่งเรียกว่าความทุกข์ภายในใจที่เกิดจากความอยากให้สิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่ให้ความทุกข์เขเวทนาให้ความรู้สึกทุกข์นั้นหายไปแต่บางทีก็ไม่สามารถที่จะทำให้มันหายได้ เวลาที่อยากจะทำอะไรแล้วเราไม่ได้ทำหรือทำไม่ไม่สำเร็จความทุกข์ในใจก็เกิดขึ้นปัญหาทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นจากธาตุรู้ไม่ใช่เกิดที่ธาตุดินน้ำลมไฟไม่ได้เกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภพชนิดต่างๆเพราะว่า รูปเสียงกินรสพลธาชนิดต่างๆนั้นเขาก็เป็นธรรมชาติที่เขาจะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเขาก็อยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติที่ไม่ให้ที่ไม่ยั่งยืนถาวรที่ไม่คงเส้นคงวามีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีขึ้นมีลงมีเจริญมีเสื่อมมีสุขมีทุกข์แต่ใจผู้ที่มาเสพมาสัมผัสกับ สิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ไม่มีปัญญาไม่มีความเข้าใจของธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่ตนเองไปเสพก็เลยคิดว่าสิ่งต่างๆที่ตนเองไปเสพนั้นจะให้ความสุขเพียงอย่างเดียวแต่พอสิ่งที่ให้ความสุขนั้นมีการเปลี่ยนไปจากสุขกลายเป็นทุกข์ใจผู้ที่เสพความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส เหล่านั้นก็เลยเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งความทุกข์ใจที่เกิดจากความผิดหวังหรือเกิดการสูญเสียความสุขนั้นเป็นความทุกข์ที่ทรมานกว่าความทุกข์ที่ได้กับจากการเสพสัมผัสของรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วใจก็ไม่รู้จักวิธีแก้ปัญหาของใจว่าทำยังไง จะทำให้ใจไม่ทุกเวลาที่ใจจะต้องไปสัมผัสกับรูปสีสันกลิ่นรสโผฏฐพะชนิดต่างๆที่เป็นทุกข์ที่ไม่ใช่เป็นสุขหรือที่เป็นสุขแล้วกลายเป็นทุกข์ขึ้นมา <c oughs> เพราะว่าใจไม่มีปัญญาไม่มีความสามารถก็เลยต้องอยู่กับความทุกข์ไปการมารวมตัวของการมา มารวมตัวของชีวิตแต่ละครั้งก็เลยกลายเป็นการมารวมตัวเพื่อสร้างความทุกข์ให้กับใจทุกครั้งไปเพราะว่าใจไม่รู้ว่าสิ่งที่ใจไปติดไปอยากไปเสพนั้นไม่ได้ให้ความสุขเพียงอย่างเดียวเป็นสิ่งที่ให้ทั้งความสุขและให้ทั้งความทุกข์เพราะว่าเป็นธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ จะต้องมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจากสุขเป็นทุกข์บ้างจากทุกข์เป็นสุขบ้างเป็นไม่สุขไม่ทุกข์บ้างใจที่มีความหนุงต้องการความสุขเป็นอย่างเดียวก็เลยต้องเจอกับความทุกข์ทรมานใจคือความผิดหวังก็เลยเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาแต่ไม่ว่าจะทุกข์ทรมานใจมากน้อยเพียงไรก็ตามใจก็ไม่เคยเข็ดหลาบ ก็จะกลับมารวมตัวกันอยู่เรื่อยๆเช่นตอนนี้รวมตัวกับร่างกายอยู่ชั่วคราวพอร่างกายนี้ตายไปใจที่เป็นธาตุรู้ก็แยกออกจากร่างกายนี้ไปแล้วก็ไปรวมตัวกับธาตุสี่คือร่างกายอันใหม่แล้วก็มาทำหาความสุขจากสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายอันใหม่ต่อไป เราก็ต้องไปเจอกับความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจความผิดหวังที่เกิดจากการไปสัมผัสกับสิ่งที่ที่เป็นทุกข์ให้กับให้กับตนเอง mm hmm. นี่คือเรื่องของชีวิตของพวกเรา mm hmm. ตัวที่เป็นปัญหาก็คือธาตุรู้รู้ใจของพวกเราที่ ไปหลงคิดว่าสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ที่เราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการเสพสัมผัสนี้เป็นความสุขแต่ความจริงแล้วมันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่หุ้มห่อความทุกข์เอาไว้ไม่ว่าใครก็ตามที่ไปหลงเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้หรือลาบยศสารเสรญที่มีอยู่ในโลกนี้ ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องเจอกับความทุกข์เมื่อลาบยศเสริญและลูกเสียงกลิ่นลดต่างๆนั้นกลายเป็นกลายเป็นความทุกข์ไปคือเสื่อมไปหมดไปเช่นมีเวลามีลาบมียศมีตําแหน่งมีเงินมีทองก็มีความสุขแต่พอเวลาที่เงินหมดตําแหน่งหมดเวลานั้นก็จะต้องเจอกับความทุกข์ นี่แหละคือชีวิตของพวกเราการมารวมตัวของธาตุทั้งห้านี้เป็นการมารวมตัวเฉพาะกิจเพื่อมาหาความสุขกันโดยไม่รู้สึกตัวความหลงของธาตุรู้นี้ไปหลงคิดว่าเป็นการมาหาความสุขกันทุกครั้งที่มาเกิดเราก็คิดว่าเราจะได้มาหาความสุขจากลาภยศเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภพชนิดต่าง แต่เราหารู้ไม่ว่าราบยศเสริญสุขที่เราหากันอยู่นี้มันเป็นความสุขแบบชั่วกราวเวลาที่มันเจริญมันก็ให้ความสุขกับเราเวลาที่มันเสื่อมมันก็จะให้ความทุกข์กับเราแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร <c oughs> เราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เ, เวลาตายไปถ้ารู้นิพพีนไม่ได้ตาย ก็ไปหาธาตุสี่ก้อนใหม่พือไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่พอเกิดใหม่ก็ใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่อไปอยู่เรื่อยๆาการเวียนว่ายตายเกิดจึงมีอย่างต่อเนื่องมีอย่างไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหยุดยัง้งเพราะความเพราะเหตุที่พาให ธาตุรู้นี้มารวมตัวกับธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟนี้ก็คือความอยากอยากหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆผ่านทางร่างกาย mm hmm. ก็เลยต้องมีการมารวมตัวกับร่างกายอยู่เรื่อยๆ ร, ร่างกายก็เป็นร่างกายที่อยู่ได้ชั่วคราวเวลามีร่างกายก็ใช้ร่างกายไปหาความสุข แล้วเวลาที่ร่างกายหมดสภาพก็จะไม่สามารถหาความสุขได้เวลานั้นใจก็ทุกทรมานเพราะเป็นเหมือนคนติดยาเสพติดติดลาบติดลาบยศ ส, สรเสินติดรูปเสียงกิ่นลดต่างๆเวลาได้เสพก็มีความสุขแต่พอเวลาไม่ได้เสพหรือว่าลาบยศสะรเสรินสุขที่ได้เสพนั้นหมดไปก็จะทำให้เกิดความทุกทรมานใจขึ้นมา การมารวมตัวทุกครั้งเพื่อหาความสุขจากราบยศสารเสริญสุขนี้ก็เป็นการมารวมตัวเพื่อหาความทุกข์ในบ้านปลายในเบื้องต้นเราก็มีความสุขกันเวลาที่เรามีความสามารถที่จะหาราบยศสารเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสกกันได้แต่ชีวิตเมื่อดาเนินไปเรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องเจอกับความความสูญเสีย ของราบยศเสริญสุขหรือความสูญเสียในสมรรถภาพความสามารถของร่างกายที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากราบยศเสริญจากรูปเสียงกลิ่นลดได้ในลานั้นใจก็จะตกอยู่ในสภาพของความเศร้าความเหงาความว้าเหวความทุกข์ใจซึ่งจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่มารวมตัวกันของธาตุั้งห้านี้ ปัญหาก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าจะมาพบกับคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็มีก็ประสบกับปัญหาอย่างนี้มาแต่เป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่รู้จักคิดรู้จักไต่ตองคนคิดหาสาเหตุต่างๆว่าทําไมท่านรู้รู้ใจของพระพุทธเจ้านี้ ยิ่งต้องเศร้าโศกเสียใจเวลาที่เห็นร่างกายจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายก็ทรงวิเคราะห์เห็นว่าก็เพราะว่าความอยากใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอเวลาได้เสพก็มีความสุข เวลาที่ไม่ได้เสกก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมามก็ทรงคิดค้นหาว่าจะทำยังไงที่จะทำให้ใจไม่ทุกข์ก็เลยทรงไปศึกษากับพวกนักบวชนักบวชเขาก็มีวิธีที่จะทำให้ไม่ต้องทุกข์กับความสุขไม่ต้องทุกข์กั บ, าบลาภยศเสริเสริญกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆก็คืออย่าไปเสกมันอย่าไปใช้มันเป็น เครื่องมือในการให้ความสุขเพราะว่ามันเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นความสุขที่มีขึ้นมีลงมีเกิดมีดับเลือกใช้ความสุขจากการหาจากรูปเสียงกลิ่นรสจากราดยศสรรเสริญด้วยการไปอยู่แบบนักบวชแล้วก็อยู่เพื่อสร้างความสุขในรูปแบบใหม่ขึ้นมาความสุขในรูปแบบใหม่นี้คืออะไร ก็คือความสุขในการทำให้ธาตุรู้รู้ใจนี้นิ่งสงบเพราะเวลาทำให้ใจนี้นิ่งสงบนความอยากที่อยู่ในใจนี้ก็จะหยุดทำงานชั่อกาวพ mm hmm. อไม่มีความอยากขึ้นมาในใจความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากการมีความอยากแล้วไม่ได้เสพสิ่งที่อยากได้เสพนั้นมันก็หายไปความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะหายไป สามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลถ้าพระแต่จะแต่ต้องเข้าต้องทําใจให้สงบอยู่เรื่อยๆเวลาใดที่เผลอเวลาใดที่ปล่อยให้ใจคิดปรุงแต่งทาให้เกิดความอยากจะเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลถ้าพระชนิดต่างๆขึ้นมาเวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาผู้ที่เป็นนักปฏิบัติผู้ที่ ใช้ความสงบเป็นเครื่องมือในการระ ง, งับดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากพอรู้ว่าเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ต้องเข้าสมาธิกันไปหรือต้องเข้าหรือต้องเจริญสติเพื่อควบคุมความคิดความอยากให้สงบระ ง, งับตัวไว้ชั่วคราวก่อนนี่ก็เป็นวิธีของนักบวชสมัยที่พระเจ้ายังไม่ได้ตรัสรู้สมัยตอนที่พระ อ, องค์ อยากจะหาค้นค้าหาวิธีแก้ปัญหาของความทุกข์ของใจว่าทำยังไงจะทำให้ใจไม่ต้องมาทุกข์ <c oughs> กับสิ่งต่างๆก็ได้วิธีดับความทุกข์แบบชั่วคร า, าวก่อนด้วยการเข้าสมาธิไปดูจเจริญสติคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดถ้าหยุดความคิดได้ความอยากก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ความอยากนี้มักจะเกิดตามความคิด พอเราคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสคิดถึงลาบยศสรรเสริญความอยากที่อยากจะเสพลาบยศสรรเสริญอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็จะเกิดขึ้นมาทันทีพอเกิดขึ้นมาแล้วถ้าไม่ได้เสพก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาเกิดความเครียดขึ้นมาแต่ถ้าใช้สติสามารถหยุดความคิดได้พอความคิดหยุดไปความอยากที่เกิดจากความคิดก็หายไปความเครียดความทุกข์ก็ หมดไปชั่วคราวนี่คือวิธีของนักบวชในสมัยที่พระเจ้ายัางไม่ได้ตัดสรู้ตัดสะรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ใช้วิธีของการเข้าสมาธิทำใจให้สงบหาความสุขจากความสงบของใจแทนที่จะหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพัชชนิดต่าง แต่ก็ยังต้องมาเจอกับความทุกข์อยู่เรื่อยๆเวลาที่ออกจากสมาธิมาเวลาที่เผลอปล่อยให้ใจไปคิดถึงราบยศสรรเสริญถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆความอยากที่จะเสพสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นแล้วพอไม่ได้เสพก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพระพุทธเจ้าจึงอยากจะรู้ว่าทำอย่างไรจะทาให้ใจนี้ไม่ต้องมา <c oughs> ทุกเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิ ทำงางให้ใจนี้อยู่เฉยๆไม่ทุกข์กับความอยากไม่ทุกข์กับลาบยศสรรเสริญไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายองค์ก็ทรงพิจารณาค้นคว้าอยู่จนในที่สุดก็ทรงพบว่าปัญหาที่ทําให้ใจทุกข์นี้ก็คือความอยากของใจนี้ความอยากหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสเราเกิดความอยากขึ้นมา ก็ต้องไปหามาเสพให้ได้ถ้าไม่ถ้าหาไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์ไปอยู่เรื่อยๆจนกว่าจะหามาเสพได้ความทุกข์นั้นก็จะหายไปแต่ถ้าไปเจอเวลาที่ร่างกายไม่มีสภาพที่จะทําตามความอยากได้เวลานั้นก็จะต้องอยู่กับความทุกข์ไปเรื่อยๆคนที่เป็นคนแก่คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนี้จะไม่ค่อยมีความสุข พ็จะไม่สามารถเสพลาบยศ เ, เสรรสริญเสพรูปเสียงกลิ่นรสอย่างที่เคยเสพได้นั่นเองทุกคนยังมีความกลัวความแก่กันกลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยกลัวความตายกัน <c oughs> ความกลัวนี้ก็คือความทุกข์ใจนี่ <c oughs> เพราะว่าต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขให้กับใจแต่ถ้าใจ สามารถเปลี่ยนวิธีหาความสุขแทนที่จะหาความสุขด้วยการเสพลูกเสียงกลิ่นลดด้วยการใช้ลาบยศสรรเสริญก็มาเสพความสุขที่เกิดจากความสงบแทนถ้าสามารถทำใจให้สงบได้ทุกเวลาเวลาที่ร่างกายแก่เวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่ร่างกายตายก็จะไม่ทุกข์เพราะสามารถทำใจให้สงบ ทำใจให้มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมืออีกต่อไปแต่ในยุคนั้นก็รู้จักวิธีที่จะทําใจให้สงบด้วยการใช้สมาธิใช้สติหยุดความคิดหยุดความอยากแ ต, แต่หลังจากที่พรุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้ก็ทรงค้นพบว่าวิธีที่จะทําใจให้ไม่ทุกข์ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในสมาธิหรือไม่ก็ตามไม่ว่าจะคิดหรือไม่คิดอะไรก็ตาม วิธีที่จะทใจให้ไม่ทุกข์ก็คือตัดความอยากเสียให้มันหมดไปจากใจอย่าไปทําตามความอยากอย่าไปอยากอย่าไปอยากเสพลาบยศสารเสริญอย่าไปอยากเสพรูปเสียงกลดิ่นรสผดตะพาแล้วจะทําไงถ้าหยุดความอยากได้ก็ต้องเห็นต้องเห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งที่อยากคือลาบยศสารเสริญและรูปเสียงกลดิ่นรสผดตะพาชนิดต่างๆนี้ เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นอนิจจังมีการเจริญและมีการเสื่อมได้มีการเปลี่ยนได้เปลี่ยนจากสุขให้กลายเป็นทุกข์ได้มีได้แล้วหมดได้ถ้าเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถให้ความสุขได้ตลอดเวลาไม่ช้าก็เร็วความสุขที่ได้จากราบยศเสริญจากรูปเสียงกลดิ่นรสนี้ก็จะต้องมีการหมดไปหรือเปลี่ยนไป นี่คือการเห็นอนิจจังแล้วก็เห็นอนัตตาก็คือเห็นว่าไม่มีใครสามารถที่จะไปห้ามการเปลี่ยนแปลงของลาบยศฉละสญของรูปเสียงกลิ่นรสได้ไม่มีใครไปสั่งให้ลาบยศรลสญให้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้ให้ความสุขกับใจไปตลอดเวลาได้ mm. เพราะมันเป็นธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่มีต้องมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีการเกิดมีการดับมีการเจริญมีการเสรื่อมไป ก็มีเหตุมีปัจจัยที่ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนั่นเองเมื่อพิจารณาเห็นไตรลักษณ์ในสิ่งที่อยากจะได้อยากจะเสพความอยากก็จะหยุดได้ทีนี้หยุดด้วยปัญญาหยุดด้วยเหตุด้วยผลคือรู้ว่าสิ่งที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานี้ความจริงมันเป็นความทุกข์พอเรารู้ว่ามันเป็นความทุกข์เราก็จะไม่ไม่อยากได้ทันทีนี่คือการตัดสั้นของพระพุทธเจ้า เราจะรู้จะองเห็นว่าสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้มาให้ความสุขนั้นล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเป็นความสุขเบื้องต้นแต่มันจะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปในเวลาต่อมาเพราะมันเป็นธรรมชาติที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการเสื่อมเวลาของเสื่อมนั้นก็มันก็จะกลายเป็นของไม่ดีไปสังเกตดูเวลาเราซื้อของมาใหม่ๆมันก็ดีใช้ได้ทุกอย่างดีหมด ่ใช้ไปสักพักหนึ่งแนละ้วเดี๋ยวมันก็เกิดอาการเสื่อมขึ้นมามันก็กลายมันก็เสียบ้างพอเสียเราก็ไม่สามารถใช้มันให้ความสุขกับเราได้เราก็ต้องเอาเข้าเข้าลงซ่อมช่วงที่ดอมันอยู่เราก็จะ อ, อยู่แบบไม่มีความสุขกันนี่คือการพิจารณาของพทธเจ้าที่จะทำให้ใจไม่ต้องทุกข์กับอะไรต่อไปก็คือให้เห็น ว่าสิ่งต่างๆที่ใจคิดว่าจะให้ความสุขกับใจนี้มันเป็นความสุขแบบไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นความสุขที่ไม่ ย, ยั่งยืนถาวรเป็นความสุขที่จะต้องมีวันสิ้นสุดหมดไปเวลาถึงจุดนั้นแล้วความสุขที่เคยได้จากสิ่งเหล่านั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาภายในใจอั น, นี้แหละคือการตัดสูล ข, ของพระพุทธเจ้าว่าตัวที่เป็นปัญหา อยู่ที่ทใจตัวที่สร้างความทุกข์ทรมานให้กับใจก็คือตัวความอยากของใจนั่นเองอยากยะเสพความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสจากราบยศสรรเสริญโดยที่ไม่มองไม่เห็นว่าเขาเป็นทุกข์เขาเป็นของอนิจจังไม่เที่ยงเขาเป็นอนัตตาไม่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราเราไม่สามารถควบคุมสิ่งต่างๆให้อยู่กับเราให้ความสุขกับเราไปได้ตลอด เขาจะต้องมีการเปลี่ยนไปเขาจะต้องมีการสูญไปจากเราไปไม่ช้าก็เร็ว<ม>ร่างกายที่เป็นเครื่องมือก็เช่นเดียวกันร่างกายก็ต้องแก่ลงไปต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้ในที่สุดก็ต้องตายไปถ้าเรายังใช้สิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องมือในการหาความสุขถ้าเรายังต้องใช้ร่างกายหาความสุขเราก็จะต้องมาทุกกับร่างกาย ้เราต้องใช้รูปสีนกลิ่นรสลาบยศเสริญเป็นเครื่องมือการให้ความสุขกับเราเราก็ยังต้องเจอกับความทุกเวลาที่มันหมดสภาพไปเวลาที่มันเปลี่ยนไปเวลาที่มันเสื่อมไปนี่คือปัญญาที่พู้เจ้าทรงตัดสะลุทรงเห็นตายรักของของสิ่งต่างๆที่ใจไปไปชอบไปอยากเสพว่าเป็นเป็นทุกข์ ทุกเพราะว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของใครเป็นเป็นเรื่องของการการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนกับดินฟ้าอากาศไม่มีใครไปควบคุมบังคับดินฟ้าอากาศได้เดี๋ยวถึงเวลาฝนจะตกมันก็ตกเวลามันจะร้อนมันก็ร้อนขึ้นมาถ้าไปอยากให้มันไม่ตกใจก็จะทุกเวลาฝนตก ถ้าไมอยากให้มันไม่ร้อนเวลามันร้อนขึ้นมาใจก็จะทุกข์แต่ถ้าใจเข้าใจความจริงว่ามันมันถึงเวลาจะร้อนก็ต้องปล่อยให้มันร้อนไปถ้าใจยอมรับความจริงใจก็จะไม่ทุกข์กับมันอยู่เฉยๆไม่ต้องไปทุกข์ต่อไปได้แต่ใจนี้มันเคยติดเคยชอบเคยอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้จนติดเป็นนิสัย จึงต้องคอยดิ้นรนหาสิ่งที่ชอบมาเสพอยู่เรื่อยๆอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องมาแก้ถ้าอยากจะให้ใจนี้ค้นทุกข์อยากจะให้ใจไม่ไม่ต้องมาทุกข์ทรมานกับการดิ้นรนหา <c oughs> ความสุขต่างๆใจก็ต้องมาฝึกทำฝึกทำใจให้นิ่งให้สงบให้นิ่งเฉยให้ได้แล้เวลาใจนิ่งเฉยแล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับอะไรเพราะความนิ่งเฉยของใจนี้ให้ความสุขกับใจ ให้ความอิ่มความพอกับใจพอใจมีความสุขมีความอิ่มความพอใจก็อยู่เฉยๆได้อยู่ตามลําพังได้ <S <S อยู่โดยที่ไม่ต้องมีรูปเสียงกิดลดมาเสพได้อยู่โดยที่ไม่ต้องมีลาบยศสารเสิน ส, สุขมามาเสพได้และอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีสมาธิความสงบมามาเสพถ้าใจสามารถทําใจให้นิ่งเฉยได้ก็ <S <S ใจก็เหมือนกับมีสมาธิอยู่ในตัวแต่โดย แต่เป็นสมาธิแบบที่เกิดจากการไม่มีความอยากการไม่กระทำตามความอยากเวลาเกิดความอยากขึ้นมาใจจะนิ่งเฉยไม่ได้ใจจะดิน้นแต่ถ้าใจมีปัญญาสอนใจว่าสิ่งที่ใจอยากนี้มันเป็นทุกข์มันเป็นภัยกับใจไม่ใช่เป็นสุขไม่ได้เป็นคุณกับใจใจก็จะสามารถหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้ใจก็กลับมาสงบมาอยู่ความอยู่นิ่งเฉย อยู่อยู่ด้วยอุเบกขาได้โดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้เพียงแต่หยุดความอยากให้ได้ท่านเ่งจะหยุดความอยากได้ก็ต้องเห็นไตรลักษณ์<ม>เห็นอ น, นิจจังทุกขังในสิ่งที่อยากได้<ม>หลังจากที่พระเจ้าได้ทรงตัดสั้นทรงทำให้ใจของพระองค์หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้ว<ม>พระองค์ก็ทรงนำความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่ไม่รู้ต่อไป พอผู้ที่ได้ยินได้ฟังเรื่องเรื่องอริยสัจสีเรื่องตายรักเรื่องอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเขามีกำลังของสติที่จะหยุดความอยากได้เขาก็สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่ถ้าเขายังไม่มีกำลังของสติพอที่จะหยุดหยุดความอยากได้ถึงแม้จะมีปัญญาสอนบอกให้หยุด แต่ถ้ายังไม่มีกำลังที่จะหยุดก็ต้องไปฝึกสติไปเข้าสมาธิก่อนไปฝึกสมาธิก่อนเพื่อทำใจให้นิ่งเฉยให้ได้ก่อนเมื่อสามารถทำใจให้นิ่งเฉยได้แล้วพอมาเกิดความอยากขึ้นมาก็ใช้ปัญญาสอนใจสอนมาให้ไปทาตามความอยากพอไม่ทำตามความอยากได้ความอยากก็จะหมดไปพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจ ก็ไม่มีอะไรมันจะมาสร้างความทุกข์ทรมานให้กับใจอีกต่อไปใจที่หมดความอยากนี้ก็จะเป็นใจที่ไม่ต้องไปมีร่างกายอีกต่อไปไม่ต้องไปเกิดใหม่ไม่ต้องไปใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆอีกต่อไปนี่คือใจที่เรียกว่านิพพานใจที่ปราศจากความความอยากใจที่สะอาดบริสุทธิป์ปราศจากกิเลสตัณหา ความโลความอยากต่างๆที่อยู่ใน ใ, นใจนี้ถูกกําจัดด้วยอำนาจของปัญญาที่พระเจ้าได้ทรงตัดสั้นก็คือการเห็นตายรักในสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้อยากมีอยากเป็นว่าล้วน เ, นเป็นเป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเพราะว่ามันเป็นอนัตตาเป็นของที่ไม่มีใครสามารถควบคุมบังคับสั่งให้มันเที่ยงสั่งให้มันอยู่ ให้ความสุขได้ตลอดเวลานี่แหละคือเรื่องราวที่พวกเราจะต้องมาเรียนรู้กันให้รู้ว่าร่างกายของเรานี้เป็นแค่ดินน้ําลมไฟสนใจเรานี้คือธาตุรู้แต่ธาตุรู้ของพวกเราตอนนี้เป็นมีปัญหาเพราะธาตุรู้ของเราตกอยู่ภายใต้อำนาจของความหลงความหลงที่หลอกให้เรามาหาความสุขผ่านทางร่างกายกัน เมื่อเรามาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเวลาที่ร่างกายแข็งแรงเราก็สามารถใช้ร่างกายหาความสุขให้กับเราได้แต่เวลาที่ร่างกายอยู่สภาพที่ไม่สามารถหาความสุขให้กับเราได้เวลานั้นเราก็จะต้องเจอกับความทุกข์ใจเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเปลี่ยนวิธีการหาความสุขกันเบื้องต้นทรงสอนให้เราเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการหา หาห า, ห า, าลาภยศเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผ่านทางร่างกายนี้มาหาความสุขจากการใช้สติดกินสตินั่งสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบให้ได้พอเวลาทําใจให้นิ่งให้สงบด้วยกําลังของสติความคิดความอยากก็จะสงบตัวชั่วคราวแล้วก็จะทําให้ ใจนี้มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องไปเสพราบยศสรรเสริญไม่ต้องไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆการที่เราจะฝึกสตินั่งสมาธิได้นี้เราจําเป็นที่จะต้องมีเวลาให้กับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาถึงจะได้ผลถ้าเราปฏิบัติเพียงแค่เวลาชั่วโมงสองชั่วโมงนี้มันไม่มีกําลังพอที่จะทําให้จิตสงบได้ หรือสงบได้ก็อาจจะสงบได้เดี๋ยวเดียวพอหลังจากที่เราไม่ได้ปฏิบัติความความมุ่นมายใจความอยากความเครียดต่างๆก็จะกลับคืนขึ้นมาอีกดังนั้นคนที่อยากจะแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนอย่างถ า, า, าวรมักจะตั้งอุทิศชีวิตให้กับการปฏิบัติธรรมเพียงอย่างเดียวคือไปเป็นนักบวชกันออกบวชกันแล้วก็เอาเวลาทั้งหมดที่มีอยู่นี้ ให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิก่อนในเบื้องต้นสร้างพลังให้กับใจให้ใจมีกําลังที่จะหยุดความอยากต่อไปได้เมื่อเวลาที่จะใช้ปัญญาถ้ายังไม่มีกําลังหยุดเวลาที่ไปเจริญปัญญาแล้วเห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากก็ยังจะไม่สามารถหยุดความอยากได้แต่ถ้าฝึกสตินั่งสมาธิแล้วใจสามารถหยุด หยุดหยุดความคิดหยุดความอยากได้ใจก็จะมีกําลังเวลาใช้ปัญญาสอนใจว่าทําไมไม่ควรทําตามความอยากก็จะสามารถหยุดความอยากได้ดังนั้นวิธีแก้ปัญหาของพวกเราที่มีความทุกข์ใจอยู่ในขณะนี้คือเราต้องมาหยุดความอยากของใจเราให้ได้เบื้องต้นก็ให้หยุดความอยากด้วยการใช้สติจเจริญสติอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่เราจะมานั่งสมาธิเท่านั้นเพราะมันจะไม่มีกำลังพอถ้าทั้งวันนี้เราไม่ได้ควบคุมใจไม่ให้คิดเลยบ่อยให้คิดตามสบายพอถึงเวลาจะมานั่งสมาธิแล้วค่อยมาควบคุมนี้มันจะยากมันย า, ยากที่จะทำจะให้ใจให้หยุดคิดได้พอนั่งได้ไม่นานก็จะทนนั่งต่อไปไม่ได้เพราะความคิดความอยากมันก็พยายามจะผลักดันให้เราไปทาอะไรอย่างอื่น เพราะการ น, นั่งสมาธินี่มันมันไม่มีความสุขถ้ายังไม่เข้าถึงจุดที่ที่ที่เกิดความสงบขึ้นมามันก็จะเกิดความรู้สึกอึดอัดจใจนั่งไปได้ไม่นานก็ทนนั่งต่อไปไม่ได้อันนี้ก็เพราะว่าตัวที่ความอยากนี้เป็นตัวที่มาสร้างความอึดอัดใจตัวความอยากที่อยากจะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้เป็นตัวที่มาคอยขัดขวางการทำจิตใจให้นิ่งให้สงบ วิธีที่จะแก้ตัวตัวปัญหาตัวนี้ก็คือเราจะต้องคอยควบคุมความคิดความอยากตั้งแต่เรายัางไม่ได้นั่งสมาธิเลยท่านทรงสอนให้นักบวชนี้ควบคุมใจตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดคอยหยุดความอยากด้วยการเจริญสติอย่างใดอย่างหนึ่งจะใช้การเจริญจเจริญพุท ธ, ธานุสติก็ได้ เราให้เลื่ถึงพระพุทธเจ้าด้วยการบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปภายในใจอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะขณะที่เราบริกรรมพุทธโธพุทธโธความคิดความอยากมันก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้เราก็พยายามบริกรรมไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งตลอดทั้งวันทั้ ง, ท, ง, ท, งทุกเวลานาทีของการเวลาที่เราตื่นแต่จะทําได้อย่างต่อเนื่องก็ต่อเมื่อเราไม่ต้องไปทํางานทําการไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับใคร ถ้าเราอยู่คนเดียวได้เราก็จะสามารถจเจริญสติได้ดีกว่ถ้าเรายังต้องไปเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้ยังต้องไปทำงานทำการเราก็ต้องใช้ความคิดคิดถึงเรื่องงานเรื่องการคิดถึงเรื่องการสนทน า, นากันกับคนนั้นคนนี้เวลาปล่อยให้ความคิดออกมาเดี๋ยวความอยากมันก็ตามออกมาได้แล้วเวลาจะไปนั่งสมาธินี้มันก็จะไม่สามารถนั่งแล้วทำใ้ใจให้สงบได้ เพราะความคิดที่มันยังเคยคิดอยู่มันยังมันกลุ่นอยู่ในใจอยู่มันยังไม่หยุดคิดเพฉั้นการที่เราอยากจะแก้ปัญหาอย่างจริงจังนี้เราต้องแก้โดยวิธีของนักบวชอย่างพระพุทธเจ้าก็ต้องสละร า, าชสมบัติเพื่อไปอยู่แบบนักบวชจะได้ไม่มีใครมาลบกวนใจไม่มีเรื่องราวต่างๆถ้าอยู่ในวังก็มีภารกิจของวังที่จะต้องคอยทำมี มีความสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆที่จะต้องให้ความสัมพันธ์กันให้ความคิดเห็นควาพูดคุยพูดจากันก็ต้องใช้ความคิดต่างๆโอกาสที่จะทําให้ใจนิ่งให้สงบนี้ถ้าจะเป็นไปไม่ได้เลยองค์ทรงรู้ว่าการอยู่ชีวิตแบบคารว่านี้จะไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของใจได้อย่างอย่างจริงจังอย่างอย่างลาบคาบจําเป็นที่จะต้องไปอยู่แบบนักบวช ก็เลยทรงตัดสินใจออกบวชเพื่อที่จะได้มีเวลาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิอย่างอย่างต่อเนื่องแล้วก็สามารถทำได้หลังจากที่ได้ออกบวชก็ทรงสามารถเจริญสตินั่งสมาธิเข้าสมาธิได้แต่ยังไม่พอใจที่ว่าความทุกข์ของใจนี้จะหายไปเฉพาะช่วงที่เข้าเข้าสมาธิเท่านั้น แต่เวลาอราจากสมาธิมาเวลาเผลอปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆอความความอยากต่างๆก็เกิดขึ้นมาพอเกิดความอยากเราไม่ได้ทําตามความอยากความทุกข์ใจก็ปรากฏขึ้นมาทันทีอองค์ก็เลยส่งคนคว้าหาวิธีว่าทำยังไงถึงจะทาให้ใจเวลาไม่ได้อยู่ในสมาธินี้ยังสงบเหมือนกับอยู่ในสมาธิ ก็สรงค้นพบว่าตัวที่ทําให้ใจไม่สงบเวลาออกจากสมาธิมา ก, ก็คือความอยากของใจนี่ยังอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ยังอยากมีอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยู่ถึงแม้ว่าจะสละลาบจะสมบัติออกมาแล้วแต่ความอยากของในที่มีในใจมันยังไม่ได้สละใจมันตามอยากมันก็ยังอยากขับไป เ, เสพลาบยศสรรเสริญเสพรูปเสียงกลิ่นรสอยู่เพียงแต่ว่า ใจของพระพุทธเจ้ารู้ว่ามันไม่ใช่เป็นการไปหาความสุขเป็นการไปหาความทุกข์แต่ไม่รู้ว่าจะทำไงที่ทำให้ความอยากหายไปก็ใช้วิธีของสติทำใจให้นิ่งสงบต่อมาถึงใช้ปัญญาวิเคราะห์ดูก็จึงเห็นว่าตัวที่ยังทำให้ใจมีความทุกข์ทรมานอยู่ก็คือความอยากนี่วิธีที่จะแก้ความอยากก็คือต้องสอนสอนความจริงให้เห็นว่าสิ่งที่ใจอยากนี้ มันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เพราะมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เราไปสั่งให้มันเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้มันจะต้องมีการเปลี่ยนไปมีเจริญก็ต้องมีการเสริมไปมีเกิดก็ต้องมีการดับไปพอสอนใจให้เห็นด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจอยากได้นั้นเป็นไตรลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นลากยศสารเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลภัไม่ว่าจะเป็นร่างกายมันก็เป็นของ ที่ไม่มีใครไปควบคุมบังครับให้มันไม่เสื่อมได้พอเห็นด้วยปัญญาก็สก็ทำใจให้หยุดความอยากได้เพราะรู้ว่าถ้าปล่อยให้ใจอยากไปก็จะสร้างความทุกข์ทรมานให้กับใจพอหยุดความอยากได้ความทุกข์ทรมานใจก็หายไปนี่คือสิ่งที่ผู้ที่ต้องการที่จะแก้ปัญหาของใจที่ยังติดอยู่กับการ หาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากโลกเสียงกลิ่นรสผลท พ, ธพะอยู่นี้จําเป็นที่จะต้องแก้แบบแบบ เ, เต็มที่แต่ในเบื้องต้นถ้ายังไม่สามารถทําได้ก็พยายามฝึกสตินั่งสมาธิไปตามโอกาสตามกําลังก่อนสะสมบรารมีไปก่อนก็ได้ถ้าถ้ายังไม่สามารถที่จะาลาออกจากโลกนี้ไปหมายถึงสละทรัพสมบัติเก้าของเงินทอง ตลาดการอยู่แบบค า, าราวานแล้วไปอยู่แบบนักบวชได้ก็พยายามหาเวลาช่วงวั น, ว, นว่างวันหยุดทำงานเช่นวันนี้แทนที่จะไปเที่ยวกันไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญที่ไม่มีความให้ที่ไม่ให้ความอิ่มความพอเสพเท่ไหร่รก็ไม่อิ่มไม่พอเสพวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากจะไปเสพอีกเดี๋ยวปีหน้าพอมาถึงสงการก็อยากจะไปเที่ยวอีกไปเสพความสุขอีกก็พยายามตัดความสุขเหล่านี้ออกไปก่อน แต่ที่จะเวลาไปหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกิรลดก็เอาเวลานี้มาหาสติหาความสงบกันแทนฝึกไปเบื้องต้นก่อนทําแบบเป็นนักบวชชั่วคราวก่อนช่วงไหนที่เราไม่ต้องไปทํางานทําการช่วงนั้นเราก็ไปเป็นนักบวชชั่วคราวไปอยู่ไปถือศีลแปดไปหาที่สงบตามสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สงบเงียบ ท, ที่ที่ที่มีการส่งเสริมให้มีการ เจริญสติมีการนั่งสมาธิมีครูมีมีครูบาอาจารย์คอยสั่งคอยสอนมีผู้ปฏิบัติธรรมที่มีการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันการอยู่กับบุคคลเหล่านี้มันก็จะส่งเสริมกันไม่ทําให้ขัดขวางกันถ้าเราไปอยู่ในที่ที่คนอื่นเขาไม่ปฏิบตัติเราปฏิบัติคนเดียวคนอื่นเขายังเสพรูปเสียงกลิ่นลดอยู่เขายังหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญอยู่ มันก็จะทําให้เป็นการยากต่อการที่เราจะไปทําใจให้สงบได้นั้นเราต้องไปหาที่สงบวิเวกเราวันไหนที่เราว่างจากภารกิจการงานแทนที่จะเอาเวลาว่างไปหาความสุขจากจากรูปเสียงกิน่นรถเราก็เอาเวลามาเจริญสตินั่งสมาธิหาความสุขจากการทําใจให้สงบถ้าทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆ โอกาสที่จะทําให้ใจเกิดความสงบขึ้นมาก็ย่อมมีเกิดขึ้นได้แล้วถ้าเราได้สัมผัสกับความสงบของจิตแม้แต่เป็นเพียงครั้งเดียวก็ตามมันจะมีเป็นความประทับใจอย่างยิ่งเพราะว่ามันเป็นความสุขที่เราไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยสัมผัสมาก่อนความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ mm hmm. พรเจ้าทรงตัสว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัตติสันติปรังสุขถัง สุขเกินที่เหนือกว่าความสงบไม่มีความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็นความสุขที่เลิศที่สุดประเสริฐที่สุดผู้ใดได้สัมผัสแล้วจะเกิดความรู้สึกมหัศจรรย์ใจขึ้นมาว่าใจของตนเองที่เป็นใจที่ทุกข์วุ่นวายนี้สามารถพลิกจากความทุกข์จากความวุ่นวายใจมาเป็นใจที่สงบได้เป็นใจที่ให้ความสุขอย่างที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนได้ถ้าเราได้สัมผัสกับความสงบแม้แต่เป็นเพียงชั่ว ระยะเวลาสั้นๆที่ส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติธรรมมักจะได้สัมผัสก็คือคณิกะสมาธิโดยสงบเพียงช่วงหนึ่งขณะแบบงูแลบลิ้นช่วงช่วงงูแลบลิ้นหรือช่วงฟ้าแลบเนี่ยแต่แต่ประสบการณ์ของความสุขของความสงบนี้มันมหัศจรรย์ใจมันจะเป็นสิ่งที่ประทับใจและมันจะเป็นสิ่งที่จะดึงดูดให้ใจอยากจะได้มันอีกมากขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าเราได้สัมผัสกับความสงบแม้แต่เป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วใจจะมีความปรารถนาที่อยากจะพบกับความสุขแบบนี้ให้มากขึ้นแล้วก็จะเริ่มเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการที่จะไปหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสนาเสกก็จะเปลี่ยนการเปลี่ยนมาห า, หาเวลามาเจริญสติมานั่งสมาธิเพื่อมาทำใจให้สงบ ต่อไปก็สามารถเปลี่ยนพิกชีวิตจากการเป็นคารวะมาเป็นนักบวชได้นักบวชส่วนใหญ่ก็เป็นคารวะมาก่อนทั้งนั้นถ้าเราศึกษาประวัติของครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เราเคารพนับถือท่านก็ไม่น่าเกิดมาเป็นนักบวชกันท่านก็เกิดมาเป็นคารวะอยู่ครองเลือนมีอาชีพท่านก็ทำมาหากินหาราบยศเสริญสุขกันไปแต่เนื่องจากว่าท่านอาจจะมีของเก่าติดตัวมามีความ สนใจในการเจริญสตินั่งสมาธิมาตั้งแต่อดีตชาติพอท่านมีโอกาสได้ไปพบกับกับพวกที่เจริญสตินั่งสมาธิก็พบกับนักบวชต่างๆก็อาจจะเกิดศรัทธาขึ้นมาอยากจะขอบวชขึ้นมาก็ได้หรือถ้ายังบวชไม่ได้ก็อยากอาจจะไปขออยู่ปฏิบัติแบบชั่วครั้งชั่วคราวไปก่อนทําไปเรื่อยเมื่อการปฏิบัติสติสมาธิมีกําลังมากขึ้นมากขึ้น ไ ด, ได้สัมผัสกับความสงบมากขึ้นมากขึ้นศรัทธาก็จะมีแรงมากขึ้นความเพียรที่อยากจะเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปก็จะหาเวลาให้กับการปฏิบัติมา ก, มากขึ้นลดเวลาในการที่จะหาราบยศสารเสริญหารูปเสียงกลินลดให้น้อยลงไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งก็จะรู้ว่าไม่จะมีความจาเป็นที่จะต้องไปหาราบยศสารเสริญ ก็สามารถมีความสุขอยู่กับความสงบได้ตลอดเวลาเวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่ออกบวชกันได้ออกบวชเพื่อที่จะไปพัฒนาความสงบให้เป็นความสงบที่ยั่งยืนถาวรต่อไปเพราะว่าถ้าอยู่ในโลกนี้ก็ไม่มีความหมายอะรแล้วความสุขทางราบยศสรรเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสถ้าเปรียบเทียบความสุขของราบยศสรรเสริญกับความสุขของความสงบ ก็เหมือนเอาก้อนหินมามาเปรียบเทียบกับกับเพชรนี่เพชรนี้มันย่อมมีคุณค่ามากกว่าก้อนหินที่เราเห็นตามท้องถนนอันใดความสุขที่ได้จากความสงบก็เป็นเหมือนเพชรความสุขที่เราได้จากลาบยศสรเสริญก็เป็นเหมือนก้อนหินนเมื่อเราได้สัมผัสกับของที่มีคุณค่ากว่าเราก็จะสามารถทิ้งของที่มีคุณค่าน้อยกว่าได้ต่อไปเราก็จะไปอยู่แบบนักบวชเพื่อเราจะได้ดําเนินการปฏิบัติ เพือกำจัดความอยากให้หมดสิ้นไปจากใจต่อไปด้วยปัญญาในที่สุดก็จะสามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ถ้ามีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมีการเจริญสติมีการนั่งสมาธิแล้วก็มีการเจริญปัญญาอย่างนั่งปัญญาสามารถเห็นความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่ใจยังไปอยากไปชอบยังไปอยากได้อยู่ พอเห็นความทุกข์ในสิ่งต่างๆความอยากที่อยากได้สิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะหมดไปมันไม่ได้หมดไปด้วยการบังคับให้มันหมดไปแต่มันหมดไปด้วยเหตุด้วยผลด้วยการเห็นความจริงเห็นว่าทุกสิ่งยุกอย่างในโลกนี้ที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเรานี้ความจริงมันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ในที่สุดก็จะต้องเปลี่ยนไปหมดไปเพราะนั้มันเปลี่ยนไปหมดไป สิ่งที่เกิดขึ้นที่ใจก็คือความเศร้าโศกเสียใจความทุกข์ทรมานใจนี่แหละคือเรื่องชีวิตของพวกเราที่พวกเรามามีกันแล้วก็มาใช้หาความสุขกันในทางที่ผิดเนี่ยหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากโลภเสียงกลิ่นรสแล้วก็ต้องมาเศร้าโศกเสียใจเวลาที่เราไม่สามารถที่จะ หาความสุขจากลาบยศสรรเสิญสุขได้เวลาที่มันเสื่อมไปหรือเวลาที่มันหมดไปเวลาที่มันจากเราไปหรือเวลาที่ร่างกายของเราไม่มีไม่ไม่อยู่ในสภาพที่จะสามารถทาหาความสุขจากลาบยศสรรเสิญสุขได้เราก็จะต้องเจอกับความทุกข์นั้นการมาเกิดของพวกเราแต่ละครั้งหนึ่งนี่ถึงแม้ว่าเราคิดว่าเรามาหาความสุขกันแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นความสุข มันเป็นความสุขแบบชั่วคราวแล้วกลายเป็นความทุกข์ในบั้นปลายทุกครั้งไปที่เรามาเกิดดังนั้นเราควรที่จะยุติการกลับมาเวีนว่ายตายเกิดได้แล้วเพราะว่ามันเป็นการมาเกิดเพื่อมาหาความทุกข์ไม่ใช่มาเกิดเพื่อมาหาความสุขวิธีที่จะทำให้ใจเราไม่ทำให้ใจเราไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขก็คือการหยุดความอยากของเราให้หมดไปจากใจ พอเราหยุดความอยากให้หมดไปจากใจการที่จะมาเกิดก็ไม่มีอีกต่อไปถ้าเราไม่มีความอยากที่จะเสพราบยศเสริรเสริบลูกเสียงกิรลดผลธรรพะชนิดต่างๆการที่จะมีร่างกายก็ไม่มีความจําเป็นอีกต่อไปเมื่อไม่มีความจําเป็นก็ไม่มีการมาเกิดเมื่อไม่มีการเกิดก็จะไม่มีการแก่การเจ็บการตายการพัดพากจากกันตามมาอีกต่อไปทุกยอย่างหมด ทุกย่อมย่มหมดไปกับผู้ที่ไม่เกิดเท่านั้นทุกย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นนี่คือคําพูดของพุทธเจ้าถ้าตาบใดา ย, ยังมาเกิดอยู่ไม่ว่าจะมาเกิดดีขนาดไหนก็ตามก็ยังจะต้องเจอกับความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายของการพัาท่าจากกันอยู่ดีถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ต้องไปหยุดความอยา ก, ากต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปได้และการที่จะหยุดความอยากให้หมดสิ้นไปได้ก็ต้อง มีการปฏิบัติธรรมมีการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาและการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาที่จะให้ผลได้รวดเร็วที่สุดก็คือการการปฏิบัติแบบนักบวชเพราะเป็นนักบวชแล้วจะไม่มีหน้าที่การงานอย่างอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยจะได้มีเวลาทุ่มเทให้กับการจเจริญปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้อย่างเต็มร้อยเมื่อสามารถสามารถปฏิบัติได้อย่างเต็มร้อย ผลที่จะเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว น, นี่แหละคือเรื่องราวของชีวิตของพวกเราทุกคนที่เอามาฝากท่านในวันนี้ว่าเราจะดำเนินชีวิตของเราไปในทิศทางไหนดียังจะเดินทางไปในทางการหาลาภยศเสริญสุขหรือว่าเราจะเปลี่ยนทิศทางจากการไปหาลาภยศเสริญสุขเป็นการไปหาสันติสุขโดยความสุขที่เกิดจากการทาใจให้สงบ จากการทำใจทาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความอยากต่างๆที่เป็นตัวสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจที่เป็นตัวที่พาให้เราต้องกลับมาเวียนว่ตายเกิดกันอยู่เรื่อยๆการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาเรวะหาปูราปาริปุเรนติสากะลัง เอวามวาอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิชิตังปฏิตังสุมหังคิพเมวาสมิเชตุสัพเพปุเรนตุสังตปาจันโทปนาวาสุยา h าเมนิโชติวาสุยาธาสัพพิจิโรวิวัจจันโตสัพพโรควินาศตุ มาเตผวะตวันตาวายสุขีติคาโยโกผวะอภิวาธนศีดิศนิจังวุทธาปจายโนจตารุธรมาวาทานติอายุวโนสุขังฮาลั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 วันนี้มีผู้รับฟังทางเ a c e b o o สอง5้อยหกสิห้าท่าน y o u t u b ัชระสุลา์สามร้อยเจ็สิบเก้าท่าน y o u t u ด็อตรวีห้าสิบหกท่านวิทยอนลายสิบสองท่าน c ลับเ o า s e หกท่านนากุติ1้อยหกิเจดท่านรวมทั้งหมดแ8ด้อยแปดิบห้าท่านครับพระอาจารย์มีคำถามจากทางหน้ากุติค่ะถามว่าชีวิตนี้น้อยนิดควรทำอย่างไรให้มีคุณค่าค่ะ ก็ฆ่ากิเลสให้หมดฆ่ากิเลสหมดแล้วก็จะไม่มีความทุกข์ก็จะมีอยู่มีแต่ความสุขไปตลอดจากเฮียเริงค่ะถามว่าเอาเงินมาเลี้ยงพี่น้องได้บุญไหมครับได้จากทางอินบ็อกซ์ค่ะคุณไบร์สัญชายค่ะ กราบขอบพระคุณพระอาจารย์วันนี้โยมเข้าใจเรื่องท่ารู้จากการเทศนาธรรมของพระอาจารย์กระจ่างชัดแล้วค่ะตอนนี้โยมถือศีลแปดภาวนาที่บ้านวันที่27แล้วค่ะที่บ้านโยมทวงว่าควรไปเรียนปริยัติอภิธรรมนักธรรมชั้นต่างๆให้แน่นเสียก่อนค่อยมาเน้นการปฏิบัติ ฟังแค่ท ร, รม้ายังไม่พอเดี๋ยวจะหลงทางรู้ไม่จริงโยมควรทำตามคำแนะนำนี้หรือไม่คะตอนนี้โยมเริ่มอ่านพระไตรปิฎกฉบับประชาชนแต่เน้นปฏิบัติและการฟังเทศเป็นหลักค่ะกับขอบพระคุณค่ะถ้าการปฏิบัติก็ไม่ต้องรู้มากให้รู้แค่ว่าศีลเป็นมีกี่ข้อการยัรลิสติเัรเิญอย่างไรสมาธิมีกี่ชนิด ปัญญามีกี่รูปแบบแค่รู้แค่นี้ก็พอหรอบการปฏิบัติจากทางเฟซบุ๊กค่ะเราจะสามารถอธิบายเพื่อจะได้พบขอภายค่ะเราจะสามารถอธิษฐานเพื่อจะได้พบเจอครูบาอาจารย์ในการปฏิบัติได้ไหมคะก็เหมือนการขอให้ฝนตกเวลานั้นเวลานี้ขอได้ไหมล่ะขอพรุ่งนี้ขอให้ฝนมาตกเวลาสองโมงครึ่งนะ ถ้าขอได้แล้วก็ขอได้ขอให้เจอครูบาอาจารย์ทุกภพทุกชาติขอพวกนี้มันขอไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเหตุปัจจัยหลายอย่างมันไม่ใช่ไม่เป็นสิ่งที่ไม่มีใครไปสั่งมันได้มันเป็นอนัตตานะทำทำในสิ่งที่เราทําได้ดีกว่าสั่งได้ดีกว่าคือฆ่ากิเลสได้เนี่ยฆ่ามันดีกว่าอย่าไปสนใจไม่ต้องไปรอครูบาอาจารย์อีกข้างหน้าหรอกอันนี้ก็ ถ้าฆ่ากิเลสหมดแล้วก็ไม่ต้องมีครูบาอาจารย์อีกต่อไปแล้วเอาเวลามาให้กับการฆ่ากิเลสจะดีกว่ า, าไ ม, ม่มีคำถามนะมมการที่อยากจะไปเจอครูบาอาจารย์พบหน้าชาติหน้าก็แสดงว่าเรายังขี้เกียจปฏิบัติอยู่กลัวเดี๋ยวถ้าชาตินี้ไม่ดุดขอให้ได้เจอชาติหน้า แต่ถ้าเราปฏิบัติจริงๆอพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ไม่เจ็ดวันก็เจ็เดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีไม่ต้องไปรอให้ไปเจอกับพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปหรอกพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนว่าให้ให้ไปรอพบพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปนะอ่าตอนนี้ไม่ต้องปฏิบัติตอนนี้เที่ยวเล่นกันให้สนุกกินกินกินอยู่กันให้พอให้แตท่านบอกให้รีบปฏิบัติเสียแต่นนเนิ่นๆอย่าประมาทนอนใจ ขอเราไม่รู้ว่าเวลาของเราจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่อันนี้มีเวลาปฏิบัติได้รีอปฏิบัติเสียเพราะถ้า ป, ปฏิบัติอย่างจริงจจังเนี่ยไม่เกินเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีก็จะต้องได้ผลอย่างแน่นอนจากทางอินบล็อกค่ะถามว่าขอพระอาจารย์เมตตา อ, อธิบายจิตเจตสิกค่ะอันนี้เราไม่ได้ชํานาญทางด้านบาลีทางอะไรก็ต้องขอขออนุ ญ, ญาตให้ไปถามก o เกิลจะดีกว่า จากคุณนาวินค่ะกับเรียนพระอาจารย์ตอนตื่นใหม่ๆจิตเป็นอักุศลใช้วิธีเจริญสติแก่แต่ใช้เวลาพอสมควรมีวิธีอื่นไหมครับก็ไม่มีรอกเวลามันเกิดก็ต้องดับมันไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะหายเองถ้าเราคอยกันมันอยู่เรื่อยๆจากทางเฟ e บุ๊ k ค่ะ กลับนมัสการพระอาจารย์ขอสอบถามเพิ่มค่ะการปฏิบัติที่ไม่มีครูบาอาจารย์เราจะหลงทางไหมคะถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ก็หลงแน่ๆเพราะทางนี้เป็นทางที่ไม่มีใครรู้มาก่อนนอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองดังนั้นถ้าอยากจะปฏิบัติต้องศึกษาจากพระพุทธเจ้าหรือตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคําสอนที่มีบันทึกไวในพระไตรปิฎกหรือพระอริยสงสารุของพระพุทธเจ้าเท่านั้น ถ้าปฏิบัติโดยที่ไม่มีครูบาอาจารย์ก็จะกลายเป็นคนบ้าไปได้ยังไม่มีใครนะทางนี้ไม่มีใครรู้นะไม่สามารถที่จะศึกษ์ไม่สามารถที่จะปฏิบัติเองได้เราเป็นเหมือนคนตาบอดเราไม่สามารถที่จะคาทางไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปได้เราต้องอาศัยคนตาดีพาเราไป การปฏิบัติธรรมนี้ต้องมีครูบาอาจารย์แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปอยู่กับครูบาอาจารย์เหมือศึกษาพระไตรปิฎกนี้ก็ได้พระไตรปิฎกเป็นครูบาอาจารย์นะไปเจอพระสุปฏิปันโนที่ดีไปไ ด, ได้ได้ฟังธรรมของท่านได้ได้อ่านหนังสือของของท่านก็ถือว่ามีครูบาอาจารย์นะไม่จำเป็นว่าจะต้องไปสมัครตัวเป็นขอลูกเป็นลูกศิษย์กับอาจารย์องนั้นตร์นี้อันนี้ไม่ใช่เป็นวิธี มีอาจารย์ทางศาสนาผู้เหล่านี้ไม่ไม่เน้นเรื่องพิธีเรื่องการมอบตัวเรื่องวิธีเน้นใ น, นเรื่องการสนใจศึกษาต่อคําสอนของผู้ที่มีความรู้จริงเห็นจริงแล้วน้อมเอาคำคำสอนที่ได้ศึกษานี้ไปปฏิบัติอย่างจริงจังจากคุณพัชราค่ะผมเป็นมือใหม่มารักษาสินแปดแต่ในอดีตเคยฟังเพลงมาเยอะ เผออร้องออกมาสี่ห้าคแบบไม่ได้ตั้งใจจะบาปไหมครับก็มันก็มันก็ผิดแต่ก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันก็พอรู้ว่าเราเผอแล้วก็พยายามที่จะห้ามมันหยุดมันไปแสดงว่าตอนนั้นสติเรายังมีไม่ค่อยดีก็พยายามจะรักสติให้มากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็การทังเผอก็จะน้อยลงการผิดพลาดก็จะน้อยลงจากคุณสรศาสกา ทำสมาธิตอนแรกมีอาการคันจากยุงกัดมดกัดก็เลยลองไม่เกาลองแก้อาการคันจากจิตโดยอาการอยากหายอยากหายคันจากจิตโดยดูอาการซ้อนไปเรื่อยๆจนอาการคันรู้สึกเบาบางลงขอพระอาจารย์เทศเสร็จออกจากจุดนั้นมาอาการคันและอาการชาขาชาก็กลับมาตัวที่เข้าไปถึงตรงนี้เขาเรียกว่าสมาธิใหม่ครับ เวลาจิตไม่รู้สึกนำคาญก็แสดงว่าจิตสงบจิตมีอุเบกขาเพียงแต่ว่าจะมีมากมีน้อยเท่านั้นเองแต่ก็ถือว่าถ้าเราสามารถไม่กังวลไม่วิตกไม่เดือดร้อนกับอาการคันได้ก็ถือว่าจิตเราปล่อยวางได้จากคุณจิรารัตนะคะ ขอหลักพิจารณาในการครบเพื่อนค่ะขณะที่อายุมากขึ้นก็เลือกเส้นทางธรรมมากกว่าทางโลกรู้สึกว่าความสัมพันธภาพกับเพื่อนก็เปลี่ยนไปเหมือนแค่เพื่อนน้อยลงกราบขอบพระคุณค่ะท่านก็สอนให้เราครบคนฉลาดในทางธรรมหรือคบคนดีในทางธรรมที่เขาดีกว่าเราหรือเท่าเราอย่าไปคบกับคนที่น้อยกว่าเราต่ํากว่าเราในความรู้ความสามารถ เพราะว่าเขาจะดึงเราลงต่ำแต่ถ้าเราครบกับคนที่ดีเก่งกว่าเราฉลาดกว่าเราดีกว่าเราเขาก็จะดึงเราขึ้นไปแต่ถ้าหาคบคนดีกว่าเราหรือเท่าเราไม่ได้ท่านก็บอกว่าอยู่คนเดียวไปดีกว่าอย่างน้อยก็ไม่ขาดทุนอย่าไปคบกับคนที่เขาแย่กว่าเราเรวกว่าเราจากทางอินบ็อกค่ะ ทำอย่างไรมัดชริยะความตรนีความหวงความคิดกิดกันไม่ให้ผู้อื่นได้ดีหรือมีส่วนร่วมที่อยู่ในใจจะน้อยลงเจ้าคะก็คิดว่าสมบัติต่างๆที่เรามีอยู่นี่มันึ่งก็ต้อ ง, ต, อ ง, ต, องต้องตายจากมันไปอยู่ดียันไปหวงมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเพราะว่าไม่ช้า ก, ก็เร็วก็ต้องก็ต้องจากมันไปอยู่ดีจากทางช่องด็เตรวีค่ะ ถ้าต้องการอยู่ร่วมกับญาติใกล้ชิดที่บางครั้งโมโหร้ายหรือมีเรื่องราวทะเลาะกับคนรอบข้างเราควรรักษาสติหรือมีวิธีคิดอย่างไรครับก็อย่าไปยุ่งกับเขาไงปล่อยเขาเอาลาวาดไปปล่อยเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเขากับเราเป็นคนละคนกันนนันไม่จาเป็นที่จะต้องไปวุ่นวายไปกับเขาถ้าเราไม่สามารถทำใจให้เฉยได้ก็จเจริญสติพุทโธพุทโธพุทโธไป เพื่อให้ใจหยุดหยุดหยุดปฏิยากับสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาตอนนี้ยังไม่มีค่ะอาจารย์เราไม่สามารถเลือกคนที่เราจะอยู่ได้บางครั้งบางคราวเราก็ต้องพิจารณาเขาเป็นเหมือนกับดินน้ำลมไฟไปก็ได้ดินฟ้าอากาศก็ได้เราไม่สามารถเลือกดินฟ้าอากาศได้ปา้าจะต้องการอากาศชนิดนั้ น, นาอากาศชนิดนีเ้เราก็ต้องหัดอยู่กับ ดินฟ้าอากาศไปเวลาเราต้องอยู่กับคนหลากหลายชนิดด้วยกันเราก็ต้องยอมรับเขาไปแล้วหัดอยู่กับเขาไปให้ได้อย่าไปอยากให้เขาไปหรืออยากจะให้เขาเปลี่ยนไปซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถไปไปทได้แต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือใจของเราทำใจให้เราวางเฉยให้ได้โดยการมองให้เขาเป็นเหมือนกับดินฟ้าอากาศไปีย ดนฟ้าอากาศนี้เราทำไงกับเขาได้เปล่าเขาจะร้อนเราก็ห้ามเขาไม่ให้ร้อนไม่ได้ฝนจะตกเราก็หยุดฝนตกไม่ได้แต่เราทำใจอยู่กับเขาได้พอเราทำใจอยู่กับเขาได้เราก็ไม่เดือดร้อนกับความร้อนไม่เดือดร้อนกับฝนตกอนนี่คือเรื่องของการทำใจอย่าไปแก้คนอื่นแก้ใจของเราปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนอื่นปัญหาอยู่ที่ใจของเราที่เราไปจู้จี้จุกจิกเอง ไปชอบคนนั้นไปไม่ชอบคนนี้ไปอยากไปชอบสิ่งนั้นไม่ชอบสิ่งนี้มันก็เลยทําให้ใจเราวุ่นขึ้นมาเวลาเราไปเจอในสิ่งที่เราไม่ชอบแต่ถ้าเราทําใจให้เฉยเฉยไม่ยินดียินร้กับสิ่งที่เราลักหรือสิ่งที่เราชอบหรือสิ่งที่เราไม่ชอบรับรู้เฉยเฉยรู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้ถ้าถ้าหลบได้หลีกได้ก็หลบไปถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันได้ก็ก็แยกกันไป แต่ถ้าทำไม่ได้ยังต้องอยู่ด้วยกันก็เราก็าก้องทาใจล้วจากคุณศรัทธาค่ะกับเรียนกับเรียนพระอาจารย์ครับตอนนี้พยายามเลือกคบคนแต่ก็มีคนอื่นมาสร้างความเดือดร้อนให้พยายามคิดว่ากำลังใช้นิกรรมเก่าไปไม่ทราบว่าคิดถูกไหมครับกำลังเลือกคนแล้วมีปัญหาอรเดี๋ยวขออ่านอีกทีนะคะตอนนี้พยายามเลือกคบคน แต่ก็มีคนอื่นมาสร้างความเดือดร้อนให้พยายามคิดว่ากำลังใช้นี้กรรมเก่าไปไม่ทราบว่าคิดถูกไหมครับเหมือนถึงเรือกคบคนที่เขาไม่มาสร้างความวุ่นวายให้ใช่ไห ม, มพูดสองเรื่องเรือกํกำลังเลือกคบคนื่องม<ช>ีคนมาใช่ค่ะเลือกคบคนแล้วเลือกคบคนอื่นที่มาสร้างความเดือดร้อนให้แต่ว่าเขาพยายามคิดว่ากำลังใช้นี้กรรมเก่าอยู่อะค่ะอาจารย์ก็ได้ก็ยางไรที่ทาให้เราทาใจได้ก็ใช้ได้ ทำใจอย่าไปทุกข์ไปเดือดร้อนกับเขาจากอินบ็อกค่ะอยากให้พ่อแม่สุขสบายแต่ยังไม่สามารถทำได้ให้ดีถึงที่สุดต้องคิดอย่างไงเจ้าคะก็ทำเท่าที่เราทำได้ตามกำลังของเราจากเนยเริงค่ะลูกๆยังไม่สนใจธรรมะถ้าอายุมากกว่านี้จะมีโอกาสที่จะเข้าถึงธรรมะไหมครับหรืออยู่ที่บุญแต่ละคนครับ ก็ไม่มีอะไรแน่นอนวันดีขึ้นดีเขาอาจจะมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาก็ได้อ mm. ย่างนั้นก็เป็นเรื่องของบุญกรรมของเขาไปเราไม่ต้องกังวลกับเรื่องของคนอื่นนะขอให้เรากังวลเรื่องของเราดีกว่าว่าเราสนใจธรรมะหรือเปล่าเรายินดีในธรรมหรือเปล่าถ้าเราไม่ยินดีพยายามสร้างความยินดีในธรรมให้เกิดขึ้นจะดีกว่าดีกว่าที่จะเราจะไปกังวลกับเรื่องของคนอื่น ที่เราไม่สามารถไปไปสั่งไปห้ามเขาได้เขาก็เขาก็มีบุญมีกรรมมีอะไรเป็นตัวกำหนดชีวิตของเขาอยู่หมดแล้วนะมีใครอยากจะถามอะไรไหมอ่าเชิญเดี๋ยวขอเอาไปส่งไปให้หน่อยพูดใกล้ๆนะจะได้ยินเสียพูดดังๆกาบเรียนพระอาจารย์ค่ะ สิดขอถามนิดนึงนะคะเวลาปฏิบัติเข้ารับสินแปดเวลาโดนแดดจะเป็นลักษณะสแสบหน้าคะ่ะสิดสามารถจะใช้ครีมกันแดดได้ไหมเจ้าคะถ้าใช้เพื่อการรักษาท่านได้อยู่แต่ถ้าใช้เพื่อเสริมสวยความงามไม่ได้ถ้าใช้<ข>เป็นยาได้อยู่แต่ถ้าใช้เป็นเครื่องสมอางไม่ได้ขอเรียนถามอีกหนึ่งข้อนะค ะ, ะ, คะเวลาปฏิบัติเดินจงกรม จิตเดินไปข้างหน้าเดินไปสักพักหนึ่งจะมีเหมือนจิตบอกให้ถอยหลังอะคะ่ไะ ไ, ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปสนใจค่ะเรามีหน้าที่เดินไปก็เดินไปอันนี้คือกาหนดพุดโทโธต่อไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจกิเลาใช่หรือไม่เจ้าคะ่ะไมต้องไม่ต้องสนใจความคิด ต, ต่างๆให้อยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆเพราะเดี๋ยวมันจะหลอกเราได้ เดี๋ยวไเดี๋ยวไปหาอะไรดื่มเข้างหน่อยก่อนดีไหมอะไรอย่างเี้ยอย่าไปอย่าไปสนใจความคิดเราเหล่านี้ให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปตอนนี้เราต้องการทำใจให้ว่างให้เย็นให้สบายกลับกอบพระคุณเจ้าค่ะกลาบกับพระคุณเจ้าโอเคาเชิเข้ามาคนที่ยกมืออมามารับมาจากที่ อ ก, า, ก, อกร า, ารพระอาจารย์ครับขออนุญาตสอบถามครับพอดีว่าไม่ค่อยสนิทกับคุณพ่อเลยแต่ว่าคุณพ่อเสียไปเมื่อสองปีที่แล้ ว, วะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยคือยังฝันเห็นท่านบ่อยๆเลยไม่แน่ใจว่าที่เห็นนะครับคือจิตปรุงแต่งของเราหรือเป็นคุณพ่อที่มาจริงๆครับส่วนให ญ, ญ่จะเป็นจิตปรุงแต่งของเราไม่ต้องกัวงวลท่านไปแล้วก็ไป แต่ถ้าเราคิดว่าท่านมาเราก็ทำบุญอุทิศไปให้ท่านก็ได้เผื่อไว้ก็ได้เป็นธรรมเนียมของชาวพุทธเราเวลาเราฝันเป็นคนตายเราก็เผื่อว่าเขาอาจจะมาขอส่วนบุญจากเราเราก็ทำบุญใส่บาตรแล้วก็อุทิศไปครับอีกหนึ่งคำถามค่ะพระาจารย์คือว่าคุณแม่เป็นคนชอบทำบุญมากครับแต่ว่า บางทีในส่วนของการทําบุญนะครับจะทําบุญค่อนข้างเยอะเกินไปตรงนี้มันอาจจะเยอะกว่ารายได้ที่มีก็จะเบรกกันไหมบ๊วยตรงนี้จะถือว่าเป็นภาพไหมครับพระอาจารย์คือถ้าเป็นเงินของท่านแล้วท่านไม่ไปทําให้ใครเสียหายเดือดร้อนก็ก็ไม่ควรที่จะไปห้ามท่านเพราะท่านเห็นว่าบุญนี้มีคุณค่าวกว่าเงินทองเพราะเวลาตายไปเงินทองท่านเอาไปไม่ได้เอาบุญไปได้ แต่พวกเราลูกๆอาจจะอยากให้ท่านเอาเงินทองเท็กไว้ให้พวกเราก็เลยไม่อยากให้ท่านทําบุญก็ได้ก็ก็ไม่ใช่ครับอาจารย์บางทีก็บางทีก็เห็นท่านทําแบบหาดข้ออย่างนี้ต้องดีใครเวลาใครทําบุญอนุโมทนาไปเลยถ้าการทําบุญของเขาไม่ไปสร้างสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับใครก็ครับอนุโมทนาแล้วก็ถามเพิ่มอีกข้อหนึ่งค่ะอาจารย์คุณแม่ชอบทําบุญมากๆค่ะท่านอยาก จุดหมายของท่านคืออยากได้นิพานแต่ว่าก็จะชวนท่านนั่งสมาธิอยู่แต่ท่านบอกว่าท่านชอบนอนสมาธิมากกว่าเลยไม่ได้ใส่ว่าอันนี้มีเหมือนกันใช่ไหมคะพระอาจารย์การนอนสมาธิมีแต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้ผลนะจะได้หลับมากกว่าได้สมาธิแต่ก็ปล่อยท่านไปท่านนีก็ทําไปตามกําลังของท่า น, นดีกว่านั่งนอนดูทีวีดูอะไรบอกว่า นั่งสมาธินอนสมาธิไปถ้าไม่ได้สมาธิก็ได้หลับสบายก็ยังดีก็ปล่อยท่านทำไปไม่เสียหายตงรงไหนค่ะพระอาจารย์คาถามสุดท้ายคับพระอาจารย์คือว่าถ้าในกรณีที่เราจะได้ยินคำว่าถ้าทำให้พ่อแม่เสียใจก็ไม่ใช่ครับถ้าทำให้พ่อแม่ร้องไห้ลูกจะตกนรกแต่ในกรณีของการร้องไห้ด้วยความปื้มปิติ ลกไม่ตกนรกสช่ไหมครับ <laughs> ถ้าไม่ใช่เป็นความทุกข์ใจไม่ตกแล้วบางทีถ้าเป็นความทุกข์ใจก็อาจจะไม่ตกด้วยถ้าการกระทําของเราเป็นการกระทําความดีเ mm hmm. ช่นถ้าเราไปบวชนี่แล้วท่านเสียใจท่านอยากให้เราไม่บวชอย่างนี้ไม่เป็นไรไม่ตกนรก mm hmm. แต่ถ้าเราไปติดคุกติดตารางเพราะเราไปทําบาปนี่แล้วท่านเสียอกเสียใจอย่างนี้อันนี้อาจจะไปนรกได้ออื mm hmm. พราาท่านจะชอบลองให้เวลาให้เงินครับลูกก็กลกัวตกนรกไม่หรอกถ้าท่านมีความปลื้มมีเตนี่เรียกว่าเป็นความสุขเป็นสวรรค์ขอบคุณนค่ะพระอาจารย์หมดคําถามแล้วค่ะโอเคนี่ท่านข้างหลั ง, งเี่ยเชิญเดยวข้ามไปกับนักรการพร ะ, าะอาจารย์ค่ะเอ่อลูกศิษจะสอบถามเกี่ยว ก, กับเรื่องของการปฏิบัตินะคะเวลาที่เราปฏิบัติธรรมแล้วเรานั่งสมาธิเราฟังธรรมของพระอาจารย์นะคะ แล้วจิตเราเนี่ยก็ตามคำสอนของพระอาจารย์อยู่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันเมื่อยมากค่ะพระอาจารย์ใจเรามันก็ออกจากคำคำเทศของพระอาจารย์มาดูที่กายวนไปกับสลับกลับมาที่ที่คำสอนของพระอาจารย์เนี่ยอันนี้เนี่ยเราเราเรียกว่าเราขาดสติหรือว่าเราจะทำยังไงดีคัะพระอาจารย์เพื่อสติแล้วอ่อนกำลังลงบางช่วง ตอนเจอความเจ็บมันก็เลยความเจ็บก็ดึงไปกิเลสดึงไปหาความเจ็บแทนเราก็พยายามดึงกลับมาที่คําสอนต่อฟังต่อไปค่ะแ ล, แล้วเวลาถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ฟังเรานั่งสมาธินะคะพระอาจารย์แล้วเราไม่ได้ไม่ได้ฟังเทศหรือไม่ได้ฟังธรรมอะคะ่ะเรานั่งสมาธิแบบเต็มรูปแบบค่ะพระอาจารย์อืแล้วถ้าเกิดว่าเวลาที่เราเมื่อยอะค่ะพระอาจารย์ใจเราเนี่ยบางทีมันไปพิจารณาที่ความเมื่อยกับบางครั้งก็ไปพิจารณาถึง อธาตุขันว่ามันไม่ใช่ที่พระอาจารย์สอนว่ามันไม่ใช่ร่างกายมันเป็นธาตุทั้งห้าตัวรู้อย่างนี้ค่ะพระอาจารย์แต่พอเราดูไปเนี่ยมันเหมือนกับเราก็สับสนว่าแล้วตัวรู้มันคือตัวไหนอะค่ะพระอาจารย์ก็ตัวรู้ที่กําลังรู้อยู่นี่ไงก็คือตัวรู้ตัวที่วุ่นวายอยู่อนี่ก็คือตัวรู้แล้วเราต้องทํายังไงกับมนันะก็ทําให้มันไม่วุ่นวายไงก็กลับมามาที่สติเราถ้าเรานั่งพุโทโธเราก็กลับมาพุโทโธต่ออย่าเพิง่งไม่พิจารณานะ เพราะเรายังไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจกลับมาที่สติก่อนหยุดความคิดก่อนหยุดความคิดหยุดความอยากก่อนแล้วเราก็จะสามารถนั่งเฉยๆอยู่กับความเจ็บปวดเมื่อยของร่างกายได้ต่อไปเราก็อยู่กับความเจ็บปวดกับหรืออยู่กับความว่างในนี้ใช่ไหมคะพระอาจารยอ์อยู่เฉยๆให้ได้ก็แล้วกันจะอยู่แบบไหนก็ได้แต่ไม่ต้องไม่ไปวุ่นวายเดือดร้อนกับอาการปวดเมื่อยของร่างกาย นั่งต่อไปได้อย่างสบายวิธีจะทำให้นั่งต่อไปได้อย่างสบายก็คือใช้สตินี่ง่ายที่สุดถ้าเรากำลังภาวนาด้วยพุโทโธอยู่เราก็กลับมาที่พุโทโธต่อไปนอกจากว่าถ้าเรามีความฉลาดที่สามารถแยกแยะ้ารู้ออกจาก่านุดินน้าลมไฟได้ว่ามันเป็นคนละตัวกันเราสามารถทำให้่าตรู้รู้เฉยๆได้เราก็ใช้ปัญญาไปก็ได้ อันนั้นมันไม่ใช่ว่าเราเป็นคนเอาเอาเป็นมโ น, โนคิดเองใช่ไหมเขาต้องใช้มโนไงใช้เหตุผลสอนใจต้องสอนใจให้เห็นความจริงพองเห็นความจริงแล้วมันก็เป็นความจริงขึ้นมาะได้ครับอาจารย์แต่มันทําให้นั่งได้นานขึ้นเออถ้าถ้าแยกด้วยปัญญาไม่ได้ก็ต้องใช้สติไปก่อนใช้คําำวลีคำพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงความเจ็บแอเดี๋ยวจิตก็นิ่งแล้วก็จะอยู่ออกับความเจ็บได้ไม่ลำพัญ ได้ค่ะพระอาจารย์าขอบพระคุณค่อถ้าอยู่ขั้นปัญญาได้ก็ใช้ปัญญาว่าตัวรู้กับดินน้าลมไฟนี้คนละตัวกันร่างกายคนละตัวกันร่างกายจะเป็นอะไรตัวรู้ก็ไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปกังวลกับมันให้รู้เฉยๆไปให้ปล่อยวางถ้าปล่อยวางได้แล้วต่อไปก็ไม่ต้องใช้สติก็ได้เวลาเจอควาเจ็บปวดก็จะเฉยๆไปคำถามจากาอินบ็อกค่ะ สามสี่วันมานี้โยมนั่งสมาธิแล้วเกิดอาการสรรั่นวันแรกรำคาญวันหลังเริ่มเฉยเฉยแค่รู้ว่ามันสรรั่นอาการสั่นเป็นปิติหรือมานแทะคะพอร่างกายหยุดสรรั่นสมาธิรวมทรงพลังดีขึ้นค่ะก็เป็นช่วงที่สติไม่มีกําลังมันก็เลยทาให้จิตเกิดอาการตา่ตางๆขึ้นมาได้ไม่ต้องไปสนใจให้กลับมาที่สติทันทีแสดงว่าสติเรากําลังเผลอกํากลังหายไป หนึ่งกลับมาที่ถ้าเราใช้พุทธโธก็กลับมาหาพุทธโธถ้าเราดูลมก็กลับมาดูลมต่อไปจากคุณพลอยนภัสค่ะจิตว่างหมายถึงอย่างไรคะเราจะทำอย่างไรให้จิตว่างอยู่เสมอเสมอคะก็ไม่มีความคิดตรงแต่งไม่มีความโลภโกรขนนง mm hmm. ก็เป็นจิตว่างจากคุณจิรารัตน์ค่ะ รู้สึกว่าตนเองถูกหักหลังบ่อยทำคุณกับคนไม่ขึ้นเลยในอดีตชาติโยมน่าจะเคยเป็นคนนิสัยไม่ดีเช่นนี้ใช่ไหมเจ้าคะตคะคิดอย่างนั้นก็ได้หรือจะคิดอย่างไรก็ได้ขอให้ใจเราไม่เดือดร้อนกับมันให้เรายอมรับความจริงไปก็แล้วกันคุณปาิชาติคะ่ะกลับเรียนถามว่าจะใช้ธรรมะข้อใดรักษาใจให้เป็นสุขเมื่อเป็นคนขี้ราคาญขี้หงุดหงิดคะ่ะก็ใช้สติก่อนนะใช้คาบริการพุโทโธไปเรื่อย เวลาเกิดอาการหงุดหงิดก็พูดโทพูทโทพูทโทไปเดี๋ยวสัาพักอาการหงุดหงิดก็จะหายไปคุณปารารีค่ะกราบนมักการเจ้าค่ะไปวัดบ่อยครั้งจิตจะไปปรามาตรขอภัยค่ะจิตจะไปพูดปรามาตครูบาอาจารย์ห้ามไม่ได้ควรทำอย่างไรดีคะควรตบหัวมันนะ <c oughs> <c oughs> อไม่ดีครูบาอาจารย์ท่านมีพระคุณกับเราเราไม่ควรที่จะไปประมาตรท่านคนจะ คนจะปลามาตัวเราดีกว่าแล้วเราเป็นใครวิเศษขนาดไหนถ้าเราวิเศษแล้วเราต้องมาหาครูบาอาจารย์ทำไมเสียเวลาสอนใจเราหมดแล้วนะโอเคหมดแล้วก็เอาท่านนี้ก่อนสำหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิ